ต้องบอที่เคารคะเราได้เวลาที่จะมาสนทนาธรรมกับท่านเพรบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนายโุดรนธานีช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุท้ทวจนะ ก, กันอีกแล้วคะ่ะน้ำสการกัะท่านคะใช่จตุรพานค่ะท่านเพรบุญคะวันนี้ดิฉันมีคําถามที่ไม่ได้มีใครส่งคําถามมาลักษณะที่ส่งไปตามเพียวธรรมะหรือว่าส่งทางโทรศัพท์แต่เป็นคําถามที่ดิฉันหยิบยกขึ้นมากราบเรียนถามท่านเองเพราะว่ามีผู้หยิบยกประเด็นเนี้ย มาสู่ดิฉันแล้วดิฉันเองก็มีความรู้สึกคล้ายๆ ก, กันกับท่านผู้ถามนี้มาก่อนคือเหมือนกับว่าเมื่อเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้เรามีโอกาสได้เข้าถึงพุทธวจนะเป็นคาสอนที่ถูกต้องละเพราะเรารู้ถูกพอไปเห็นใครทำอะไรที่ผิดเพี้ยนไปจากนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนที่เราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเข้ามาศึกษาในแนวทางเดียวกัน อ, อยู่เหมือนกันเราก็จะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจ หรือฉันเองมีเพื่อนเขาก็มาปลารบในทํานองเนี้ค่ะก็เลยอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าเวลามีความรู้สึกแบบนี้แล้วมันไม่สบายใจจะทำยังไงดีท่านคะจะไปบอกเขาจะไปยังไงดีก็อันดับแรกต้องมองสองสามประเด็นอันแรกสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดก่อนถ้าเผื่อว่าเรารู้สิ่งที่ถูกแล้วเนี่ยนะว่าเอ๊ะที่ถูกเป็นอย่างนี้เอแต่คนอื่นเนี่ย ที่เขาก็มีความคิดว่าเขาจะทําถูกใช่ไหม <venue. S 3> <c oughs> เขาก็ทําถูกบ้างผิดบ้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งอื่นผิดนะถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะถ้าเราคิดว่า <c oughs> ส, figured, สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต <c oughs> ้องให้เปิดใจกว้างๆไว้ก่อนประการที่2ก็คือว่าเรารู้แล้วว่านี้ถูกแน่นอนอย่างศีลสมาธิปัญญามระยะแมคมีองค์แปดพุทธวจนะ ถูกแน่นอนนะพระุทธเจ้าเก่งมากเอาละถ้าเรายึดในสิ่งที่ถูกถ้ายึดนะอันนั้นะผิดเลยเพราะว่าความยึดเนะ่เป็นต้นเหตุของความทุกข์คุณยึดเมื่อไหร่นะผิดทันทีแม้แต่สิ่งนั้นถูกก็เหรอคะทำทั้งหลายที่เรากล่าวแล้วเนี่ยก็คุณจะต้องปล่อยวางเสียเปรียบด้วยพ่วงแพ่พระพุทธเจ้าตรัสเองนะว่าธรรมะที่พระองค์สอนเนี่ยก็ควรจะปล่อยวางซะ เปรียบเหมือนเวลาคนเขาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมจะข้ามแม่น้ำกุโยมติว๋วโอ้ยฝั่งนี้มีอันตรายมีทั้งงูทั้งเพชฌฆาตคนที่บินได้เดินตามดินทั้งโจนเนี่ยจะมารุมฆ่าเราทํำยังไงเอาละมาถึงฝั่งแม่น้ําข้างนี้อันตรายข้างนู้นปลอดภัยทํำยังไงดีเอา้าเรารวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้แห้งมาปลูกเป็นแพรแล้วก็ใช้พยายามด้วยมือและเท้าข้ามไปได้พอข้ามไปเสร็จแล้วมันคิดว่าโอ้โหแพนี้มีอุปกรณ์แก่เรามากเอาอย่างนี้แล้วกันเราจะแบกเข้าไปด้วย คุณโยมติวิทย์ว่าเขาจะทําไหมไม่ท ำ, ทำเขาไม่ทําอยู่ๆเขาก็วางไว้ตรงนั้นหรือไม่ก็ปล่อยให้มันลอยน้ําไปตัวเขาเองก็เดินไปอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกันพ่วงแพรเนี่ยคือธรรมะนะธรรมะที่เป็นพุทธวจนะนี่แหละเราบอกว่าเออคุณจะใช้พ่วงแพรเนี่ยก็อย่าบือถือไม่ด้วยใหญ่ยึดยึดด้วยอย่ายึดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแล้วถ้าเรายึดเนี่ยเราจะเป็นทุกข์ นะโอ้ยทำไมคนนั้นก็ไม่ทําอย่างนี้นะเขาบอกว่าเขาจะทําแต่เขาไม่ทําดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระองค์เนี่ยบอกเองว่าวิธีการทดสอบนะว่าใครเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยด้วยตาด้วยหูนะให้ทดสอบอย่างนี้โอ้ไลม่มายาวมากแล้วมีข้อหนึ่งนะที่ให้ใทดสอบได้ก็คือว่าถ้ามีถ้าคนเนี้ยที่เราต้องการสอบทดสอบว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะกล่าวสอนบอกสอนธรรมะที่โอ้โห เลิศหรูอลังการจะไหมที่ตรวจสอบแล้วว่าจริงเนี่ยถ้าคนที่ปฏิบัติเนี่ยคือสาวกเนี่ยที่ประกอบอยู่ด้วยอามิดก็มีที่ประกอบอยู่ด้วยนิรามิดก็มีคือที่ทําได้ก็มีที่ทำไม่ได้ก็มีพระองค์ก็ไม่รู้สึกขัดข้องใจเพราะข้อนั้นเป็นเหตุนึกออกไหมอย่างพระพระุทธเจ้าเนี่ยมีสาวกเทวทัศน์ก็มีพระอนนท์ก็มีพระสาริบุตรก็มีคนที่ดีก็มีคนที่ไม่ดีก็มีพระพุทธเจ้าจะโกรธไหมแม้เธอทําไม่ดีไม่พอใจเธอปฏิบัติผิดมั้งไม่โกรธนะ เพราะว่าโกรธเมื่อไหร่คิดไม่ดีเมื่อไหร่มีความพยาบามเมื่อไหร่อาคุณเดินออกนอกมาร์กทันทีอืมค่ะคือในกรณีเช่นนี้เนี่ยเพราะท่านบอกว่าไม่ให้ยึดแม้กระทั่งเป็นเรื่องธรรมที่ถูกต้องอย่างศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่ฉันคิดว่าหลายคนฟังแล้วคงจะสงสัยเหมือนกันนะคะเอาแล้วจะทํำยังไงไม่ให้ยึดแล้วจะทําถูกหรอให้ใช้เป็นที่พึ่งค่ะไม่ยึดตอนไหนยึดไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยหรือ ย, ยังไงหรือว่าอืมไม่ต้องเลย ตั้งแต่แรกเนี่ยพอรู้แล้วใช้ใช้ไปปล่อยไปใช้ไปปล่อยไปหรือว่ายึดไม่ใช้ก่อนแล้วปล่อยทีหลังบทพปลีนชนะที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยเนีบมากคุณโยมติว๋วพระพุทธเจ้าใช้คําว่าใช้เป็นที่พึ่งที่พึ่งที่พึ่งที่พึ่งยึดนี่ไม่กวนน ะ, ะแบ่งอย่างนี้ยึด เ, เลยถูกต้องคนเราเพอมีความทุกข์อ่ะหรือว่าจิตยังมีตัณหาอยู่มีกิเลสอยู่เนี่ยจะยึดเอาภูเขาบ้างต้นไม้บ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างว่า ต้นไม้รุกขเจดีต่างๆเนี่ยว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนยึดนะว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกรเสมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วนะก็คือใช้เป็นที่พึ่งใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งพึ่งยังไงแล้วพึ่งมันต่างกับยึดยังไงยึดถือเนี่ยคนยึดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้คุณโยมติว๋วถ้ามีอะไรนะมาทําให้สิ่งที่เรายึดอยู่เนี่ยกระเทือน นะหรือสิ่งที่เรายึดอยู่เนี่ยเป็นความคิดอย่างเนี้ยแนวความคิดทางการเมืองเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเอาเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้มายึดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้ามีใครมาล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฉันจะปวดใจฉันจะกระฟัดกระฟีดกระด้านกระเดื่องแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏหรืออีกประการหนึ่งเขาก็จะร่ำให้คลั่งกรนทุกอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพอ้อและมี2 อ, อย่างถ้าคุณยึดคุณจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครมากล่าวตู่พระรเจ้า คุณยึดพระเจ้าใช่ไหมคุณจะจีด๊ดคุณจะมีปัญหาคุณจะเดือดร้อนใจแต่ถ้าเราใช้พระเจ้าเป็นที่พึ่งจะทําไงเอเคเราไม่เดือดร้อนแต่เราก็อธิบายสิ่งที่มีเป็นไปตามจริงเท่านั้นเองสบายไหมค่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายึดให้ใช้เป็นที่พึ่ง ค, คนที่ยึดเนี่ยจะจะมีปัญหาเองค่ะท่านคะทีนี้อย่างกรณีในลักษณะเช่นว่าเนี่ย น, นะคะอ่ามันมีปัญหาข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาเนี่ย เหมือนกับว่าที่ทําให้คนที่มาสนทนากับดิฉันไม่สบายใจเนี่ยคือเหมือนกับว่าไปเห็นว่าทําในสิ่งที่เหมือนกับเชื่ออย่างหนึ่งไปทําอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ทําแบบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเป็นคนที่มีชื่อเสียง เ, เป็นคนที่ทําแล้วออกสื่อเนี่ยอืมโอเคก็จะต้องฟังต้องฟังอย่างนี้ประเด็นที่สามนะเราพูด<า>ถึงประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของอ ธรรมะใช่ไหมประเด็นที่2คือความยึดกับความใช้เป็นที่พึ่งประเด็นที่3เนี่ยคือเมื่อเราเรามีความขัดเคืองขึ้นในจิตเนี่ยเห็นสิ่งที่เราคิดว่าไม่ถูกต้องเนี่ยเราเราจะทํำยังไงถ้าพระุทธเจ้าบอกอย่างนี้บถ้าเธอพอจะบอกสอนเขาได้ให้ออกจากอบัติถ้าตรงนั้นเป็นความผิดนะตรงนั้นเป็นความผิดเธอจะบอกสอนเขาได้ให้ออกจากความผิดนั้นเนี่ยให้เห็นอย่างนี้ว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่การที่เขาจะออกจากความผิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกว่าให้บอกเขาซะ <commandments. S 1> เรื่องนี้เธอไม่ควรทำนะแต่แต่ข้างในเราเราต้องปล่อยวางวนะนะข้างในเราต้องไม่มีปัญหาแล้วนะไม่ฮึมฮึมอยู่ข้างในนะ <t> เราถึงจะบอกเขาได้ก็ ค, คือความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้ปล่อยวางเสียแล้วบอกเขา <okay. S 1> แต่ถ้าเราบอกเขาแล้วนะเขาจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาด้วย แต่ถ้าเราสามารถบอกให้เขาออกจากความผิดนี้ได้ให้เห็นว่าความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราก็เป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกเขาซะนี่คือขั้นตอนที่2หรือขั้นตอนที่3เนี่ยถ้าบอกแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนมีความขัดเคืองด้วยให้หาวิธีอื่นที่จะบอกนะแล้วก็บอกเขาซะแต่ถ้าบอกยังไงเนี่ยเขาเป็นคนไม่ได้อยู่ในสถานะที่เราจะบอกได้เนี่ยก็ให้วางอุเบกขา ประเด็นที่สามคือถ้าเราบอกเขาไม่ได้คุณวางอุเบกขาซะค่ะคือดิฉันเข้าใจว่ามองโลกแบบเข้าใจว่าโลกใบนี้เป็นอย่างนี้คนเราไม่ได้มีชีวิตยอยู่โดยลำพังเพราะเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมคะบางทีหน้าที่การงานหรือสถานะที่เราเป็นอยู่เนี่ยอาจจะต้องยึดโยงกับสภาพแวดล้อมแล้วสภาพแวดล้อมก็อาจจะนาพาให้เราต้องทาในสิ่งที่ทาไปเพราะจาเป็นต้องทา แต่ไม่ได้ทำไปเพราะเป็นความศรัทธาที่แท้จริงอันนี้ก็เปิดใจกว้างมีหลายอย่างใช่ค่ะมันมันอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นซึ่งดิฉันคิดว่าผลเสียผลดีมันเกิดที่ตัวผู้ทำนะคะแต่แต่ว่าในส่วนตัวของดิฉันเนี่ยดิฉันดิฉันได้แนะนำเพื่อนในลักษณะคล้ายๆอย่างที่ท่านพูดข้อที่สามค่ ะ, ะว่าเราควรที่จะ ว่าอุเบกขาเพราะเราไปทําอะไรไม่ได้แล้วก็เรามองเขาอย่างเมตตาว่าเขาคงมีความจําเป็นนะเพราะว่าเขาก็ศึกษาเขาก็รู้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็มาพัฒนาที่ตัวเราเองเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียหายที่ตัวเรามันจะมีประเด็นหนึ่งคือประเด็นที่สี่ในเรื่องของว่าการทําเนี่ยยังไงก็เรียกว่าอยู่ในสโ o p ที่เรียกว่าเป็นเรื่องของพุทธวรนะณะอันไหนไม่ใช่อันไหนเป็นอยู่ในมาร์กอันไหนไม่ใช่เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเรื่องของการบูชาเอาเอา อาหารไปบูชาพรพุธรูปอย่างนี้ได้ไหมโอ้มันตอบได้หลายอย่างมันอยู่ที่วรารจิตของเราเรื่องนี้จะต้องพูดเป็นตอนๆเลยละถูหงั้นคงจะต้องขอสักตอนหนึ่ง ใ, ให้สมบูรณ์แบบไปเลยทีนี้จะมาจบที่ตรงเรื่องของการที่เราจะพอใจหรือไม่พอใจน ะ, ะประเด็นประการที่ห้า ป, ป, ประเด็นที่ห้าก็คือว่าถ้าเรายังมีความคิดที่เรียกว่ายกตนข่มท่านด้วยคุล คุณสมบัติคุณธรรมอะไรที่เรามีอันนี้คุณผิดไม่ใช่ผู้ปฏิบัติพุทธชาบอกว่ามีคุณธรรมที่ทําให้ผู้คุณเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติทําสํานักให้เป็นสำนธรรมปราไม่เป็นปรามทําผู้ปฏิบัติให้เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยคุณธรรม พ, พวกนั้นในพุทธเาพูดถึงเรื่องฮีริโอตัปป์ศีลอะไรต่างๆนะแล้วก็ยกบอกว่าถ้าเรามีคุณธรรมข้อนี้แล้วนะเราจะไม่ยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดอย่างเช่นเรามีศีลอะเรามีศีลดีแล้วเนี่ยเราจะไม่ควร ไม่ควรที่จะยกตนข่มท่านด้วยคุณข้อนี้เป็นอันขาดฉันศีลดีกว่าเธอนะฉันยกตนข่มเธอละแต่ผิดปริญาไม่เคยสอนอเพราะฉะนั้นถ้าเรายกตนข่มท่านรู้สึกขัดเคืองในเรื่องที่ว่าคนอื่นปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ควรทําควรต้องให้โอกาสกาันเพราะว่าคนทําได้ก็มีคนทำํำยังไม่ได้ก็มีถ้าเราคิดว่าเรามีกําลังจิตในการที่จะทําถูกแล้วเนี่ยดีแล้วคุณทําดีต่อไปดีมากแล้วก็<ค>ให้เดินอยู่ในมาร์กถ้าเราคิดไม่ดีเนี่ยนั่นคุณเดินออกนอกมาร์กละ อันนั้นก็<ข>ไม่ใช่ที่พริเจ้าสอนค่ะที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนใช่ไหมคะให้เราเอาคุณธรรมของเราเนี่ยไปข่มคนอื่นใช่ห้าไมไว้ด้วยหรือเปล่าคะ อ, อไม่ได้เป็นวินยัยนยไม่ได้เป็นอยู่ในหมวดวินยัยแต่เป็นอยู่ในหมวดที่ว่าถ้าเราต้องการจะพัฒนาตัวเองของเราให้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยมันจะมีที่ละเอียดแล้วละเอียดอีกมีที่แตกชานช่ำชองไปมากขึ้นซึ่งตรงนี้พ<ข>ระเจ้าก็บอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราพอแล้วด้วยคุณเวียงเท่านี้ ได้ตามถึงผลของการปฏิบัติแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกแต่มีสิ่งอื่นที่เธอยังต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกอยู่ค่ะก็เท่ากับว่าไม่ได้ผิดไม่ได้บาปเพียงแต่ว่าเสียหายมากนะเพราะว่าจะเป็นอุปสรรคขัดขวางในการพัฒนาตัวของเราพัฒนาจิตถูกไหมคะถูกต้องนะที่จะให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นใกล้นิพพานมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อไร่ที่เราเดินออกนอกมรรคเนี่ยคือเขวไปแล้วนะคุณไปทางอ้อมแล้วอนะท่านคะทีนี้สงสัยอีกเรื่องหนึ่งอ่ะคะ่ะ เหมือนกับว่าถ้าเราเป็นคนศีลดีส่วนใหญ่ก็จะมองทะลุนะคะว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องที่มันผิดไปจะตักจะเตือน <ừ> ได้ไหมคะหรือ<ถ>ว่าก็เข้าประเด็นที่หนึ่งที่ท่านบอกไปตอนต้นนั้นใช่ก็คือว่าถ้าเราจะเตือนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราหรือของเขาไหมกุศโลบายในการเตือนจะเป็นอย่างไรคนนี้เราอยู่ในลักษณะคนที่เราพอจะเตือนได้ไหมอย่างนี้นะ เพราะอย่างนี้นะคะท่านอย่างกับเราติดตามตามสื่อเนี่ยเราก็จะเห็นคนที่เป็นบุคคลดีสีสังคมมีความประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปแล้วก็มีบทบาทในการที่จะวิาพากษ์วิจารณ์สังคมวิาพากษ์วิจารณ์การกระทำของบุคคลในสังคมในเชิงตาําหนิด้วยะคะ่ะค่ะคือเหมือกับว่าเขาก็ทําได้เพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ต้องประครับประคองตัวเองไม่จะตกจากมัด อย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะเมื่อไ oh. หร่เนี่ยที่เรากล่าววาจาที่ไม่ดีเนี่ยพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยอันนี้คุณเป็นคนไม่ดีนะนําเรื่องไม่ดีของผู้อื่นมาเปิดเผยให้ปรากฏอไม่ถูกถามแต่เอามาเปิดเผยโอ้โหไม่ดีเป็นคนไม่ดีอ hmm. แต่ถ้ามีคนถามนะก็พูดนิดเดียวแต่ถ้าถามจังหน้าก็พูดนิดเดียวไม่ถามไม่พูดถามจังหน้าพูดนิดเดียวอันนี้เราจะเป็นคนดี สม า, สมาคมเมาส์นี่ลําบากเลยนะคะลําบากเลย <c oughs> คุณเ<อ>มาส์จากเนี่ยสภากาแฟเนี่ยก็พูดเรื่องดีๆสิพูดเรื่องสมาพาวาจานี่ยิ่งจะดีมาประชุมกันใช่ไหมสภากาแฟเมาส์เมาส์เรื่องธรรมะก็ได้พูดเรื่องปลาเรื่องความเพียรพูดเรื่องประวัติบุรุษเจ้าพูดเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการิกเล่นการวิเวกโอ้พูดได้ตั้งสิบห่วเรื่องยี่สิบเรื่องสําหรับบางคนนะคะดูเหมือนกับว่าเรื่องที่ท่านพูดยกตัวอย่างเนี่ยสูงส่งมากถ้าเปลี่ยนเอาแค่ไม่พูด เรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่ว่ามาเมาส์เรื่องดีของคนอื่นอย่างนี้พอได้ไหมคะอ่าเรื่องใดเป็นคุณของคนอื่นนํามาเปิดเผยให้ปรากฏเมื่อถึงแม้ไม่ถูกถามแต่ถ้าถูกถามนี่ก็เล่าอย่างละเอียดลึกซึ้งพิสดารไม่ลดหย่อนค่อยเควอันนี้เป็นคนดีจริงไม่ลดหย่อนแล้วเล่าเกินได้ไหมคะให้ดเีเวอร์หน่อยเอาไม่ได้สิก็เา <laughs> <laughs> ไตามแต่โดยรายละเอียดไงโดยรายละเอียดอ๋อค่ะดี๋ฉันนึกว่าถ้าในส่วนที่พูดถึงคนอื่นเนี่ย ในทางดีถ้าบวกแถมขึ้นไปนี่จะดีมากยิ่งขึ้นสําหรับคนพูด <c oughs> ก็พูดนนตามจริงไม่ได้ดต้องพูดตามจริงนี่ความจริงนถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดผู้ที่ชาบก็ใช้ใ ช, ใช้บดเพลงชนะตรงนี้ว่าโดยพิสดารบริบูรณ์โดยละเอียดนะโดยละเอียดคือพูดความข้อดีของเขาเนี่ยโดยละเอียดทุกขั้นทุกตอนอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ถูกถามนะก็เอาความดีของเขามาพูดถ้าถูกถามนะก็เล่าโดยละเอียดอื นึกคิดว่าในสิ suicide suicide suicide <icism> ่งท <violence> ี่ท um, <without their> <influence> ่านได้สอนช่วงหลังเนี่ยนะคะน่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ถึงโทษไงคะของการที่ไปพูดถึงคนอื่นเราก็คิดว่าเออเขาก็ไม่รู้แล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าจะคุยถึงกันนะเพราะน่าสนใจดีในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขานะคะก็มักจะพูดกันในเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมากนะคะเขาเรียกว่าการนินทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะได้เป็นเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งไม่ดี ะะถือว่าถ้าหยุดการกระทํานี้ได้ท่านไม่ต้องเข้าวัดทําบุญก็ได้อา น, นิสงส์งอะไรบ้างไหมคะนี่ก็ชื่อว่าบูชาแล้วปฏิบัติแล้วนะอยู่ตรงนั้นเลยอเพราะว่าเราอยู่ในมรรคจิตของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในเส้นทางที่มีนิพพานเป็นที่สุดจบแน่นอนการกระทําเช่นนั้นนยอยู่ในมรรคไหนเหรอคะสมมาวาจางไง อยู่ในมัคสัมมาวาจาสัมมาวาราจาที่ที่ฉันกำลังพยายามรณรงค์ให้คนไทยช่วยกันใช้ใชก็หวังว่า อ, อคนคนไทยทั้งหลายโดยเฉพาะคนชาวพุทธเนี่ยจะได้เข้าใจว่าสัมมาวาจานี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างไม่น่าเชื่อนะคะท่านคะบางทีบางคนบอกว่าเอ๊ะเราจะหลุดพ้นถึงชนิดที่ไม่มีความทุกข์อย่างสิ้นเชิงคือไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปเนี่ย แค่การระมัดระวังคําพูดแล้จะเป็นไปได้อมืมีเหตุผลมากฟังขึ้น <c oughs> จะสรุปตรงนี้ให้เพราะว่าเวลาใกล้หมดตรงว่าอในเรื่องของการศึกษาพุทธวัฒน์เนี่ยหลังจากที่มาศึกษาลึกซึ้งขึ้นไปการปฏิบัติของพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นพุทธวัฒนะเนี่ยเรายิ่งมีความสบายใจแลนะสบายใจตรงที่ว่าเรามองไปทางไหนเนี่ยเราไม่เห็นข้อขัดแย้งใดๆอย่างสิน้น นะเรามองไปทั้ไหลเราก็สบายใจเราก็สมรวมอินทรีย์จิตใจเราก็สบายมัมีสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นถ้าคุณศึกษาพุทธวจนะแล้วรู้สึกตึงเครียดในเวลาที่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจอ น, นั้นไม่ถูกต้องแก้ไขคับแปล ว, ว่าอาจจะรู้ถูกแต่ยังปฏิบัติไม่ถูกหรืออาจจะรู้ผิดอยู่ก็ได้ต้องมาทบทวนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าฟังในรายการนี้ เราพยายามที่จะนำเสนอในสิ่งที่ถูกให้กับท่านเกี่ยวกับคำสอนของพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและนี่ก็คือช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระภัยบู์อภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะนวสการพระราชาค่ะ